กรรมฐานนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนหลักให้แม่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทั้งว่าอาจารย์นี้ว่ายังไงอาจารย์นี้ว่ายังไงสับสนตายเลยอาจารย์แต่ละอาจารย์พูดไม่เหมือนกันงสิ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้คือหลักของการปฏิบัติหลักต้องแม่นการปฏิบัตินี้ไม่พ้นหลักของไตรสิกขาหลวงพ่อไปไหนก็นพูดจะเรื่องไตรสิกขา ศีลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาเรียนต้องเรียนให้ครบส่วนที่ทํากันไม่สําเร็จนะพอนานไม่สาเร็จนะพวกไม่ได้เรียนจิตสิกขาศีลตอวไปรักษาเอาตั้งใจรักษาเอาแต่พอมาถึงเรื่องของจิตใจเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตชนิดไหนนะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะเป็นสมาธิที่มีโมหะเป็นมิจฉาสมาธิ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 สมาธิที่พวกเราต้องเรียนให้ได้แล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้คนทําได้เนี่ยเยอะแยะเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนทําไม่เป็นสมาธิอย่างเนี้หายากเดี๋ยวนี้สมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะไปหมดแล้ะบางคนไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีจะจับหลักได้จับหลักได้พุบจินตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา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 งั้นสิ่งนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้วิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็ค่อยๆเรียนเรื่องของจิตงั้นบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธิที่ดีถือเรียกว่าจิตตศึกษางั้นเรนเรื่องจิตตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆสอนเรื่องให้รู้ท่านจิตเนเพื่อจะพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องนี่เองคนยุคนน้นไม่เข้าใจ น, นักบางทีคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้นั่งสมาธิ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 หรือเพ่งแสงสว่างหรืออยู่กับแสงสบายทํากรรมฐานอะไรก็ได้จเจริญเมตตานะใจแผ่กว้างออกไปใจไม่อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ขาดสติอันนี้เอาไว้พักผ่อนถามว่ามีประโยชน์ไม่มีเอาไว้พักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยจเจริญปัญญารวดไปมันเหนื่อยแต่บางคนทําไม่เป็น ทำไม่เป็นไม่ได้เรื่อ ง, เ, องเดือดร้อนอะไรนะขอให้ทําสมาธิอย่างที่สองเป็นก็แล้วกันพระอราหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นพระอราหันต์ที่ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนนะเหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแบบพวกเรานะที่ท่านบนรรลุพระอราหันต์กันหลวงพ่อไม่ได้พูดเองอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้นะบอกว่าในบรรดาพระอราหันต์ห้าร้อยรูปห้าร้อยองค์เนะี่ย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 พระอรหันต์อีกจําพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์เพราะว่าอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยคือพระอรหันต์ที่ได้อารูปฌานท่านไดอารูปฌานในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พระอรหันต์อย่างนี้ก็มีอีกหกสองค์อีกสบเอร์เซนตรวมแล้วสามสิบหกเปอร์ซที่เหลือเป็นพระสุขวิปัสสกะคือคนอย่างพวกเรานี่เองที่ไม่ได้สงฌานเนี่เองดังนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเข้าฌานได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์เข้าใจผิดเลย แต่แต่ได้โสดาขึ้นไปเนี่ยจะได้ชาแนอัตโนมัติได้ปฐมชาญอย่างต่ําที่สุดนะจะเป็นของแถมนั้นเป็นปกติทั่วๆไปพริยบุคคลทั้งหลายจะได้ปฐมชาญเป็นเบื้องต้นเลยอย่างต่ําถ้าได้ถึงอรูปชาญก็เป็นอุปโตภาควิมุตย์งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่เองไม่ต้องตกใจว่าเข้าชาญไม่เป็นะเงั้นเราใช้เราเข้าใจการฝึกสมาธิให้ถูกซะหน่อย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 ดูอะไรดูไตรักนะเรียกว่ารักขนุปนิชานสมาธิที่จะทําให้พวกเราเดินปัญญาได้นะคือรักขนุปนิชานนะแต่บรรดาพระอ ร, ริยะบุคคลนะท่านทํารักขนุปนิชานจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนนะท่านสามารถใช้รักขนุปนิชานเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้ถ้าปุถุชนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยชินจะชินแต่อารามนูปนิชานก็นไปเข้าอารามนูปนิชาน าอารามณูพนิชานได้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดลักขณูพนิชานก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแปดนะบางท่านเข้าสมบัติที่เกได้ด้วยนะสมบัติที่เก้าจะไม่เข้าที่อารามณูพนิชานะนี่เราต้องค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาเรื่องของจิตทํำยังไงจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้อารามณูพนิชานจิตปกติเนี่ยจะหิวอารมณ์วิ่งพลาดไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟัง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 ที่มีความสุขมีความพอใจนะอย่างเราไปดูหนังเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะมีความทุกข์ใช่ไหมเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปกินของอร่อยเนี่ยฉีดมันโคจรไปอย่างเนี้ยหวังว่าจะมีความสุขแต่ว่าพอเราอย่างเราไปดูหนังสักเรื่องนีดูแล้วมันก็มีความสุขแต่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปโคจรไปที่อื่นต่อนะไปฟังเพลงนะยังไม่มีความสุขพอก็ไปหาอะไรอร่อยกินกินเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่มีความสุขอีกแล้ว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 บางคนชอบพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วจิตสงบกนะ็พิจารณาธรรมะบางคนชอบอ่านประวัติพระสาวกนะสาวกองโน้ต่อสู้มาอย่างนี้องค์นี้ต่อสู้มาอย่างนั้นอ่านแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขเนี่ยก็ใช้อย่างนี้เรียกสังขารนุสติบางคนก็คิดถึงคนดีๆอย่างเวลาเราคิดถึงคนที่ดีนะดีมากๆเลยนะเราคิดถึงคนที่ดีมากๆแล้วจิตใจเราจะมีความสุข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 เรารักษามาได้อย่างดีเลยเป็นเดือนเลยเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยพอเราตั้งใจรักษาศีลมาอย่างดีเวลาเราคิดถึงว่าเออเรามีศีล น, นะใจมันจะมีความสุขเมื่อใจมีความสุขใจจะมีความสงบในะสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะบรรลุพระอรหันต์ด้วยวิธีนี้คือท่านนะน้อยใจตัวเองว่าบวชมาเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเขาได้พระอรหันต์ไปได้พระอนาคาหรือได้โสดาสกตาคาอะไรท่านไม่ได้อะไรเลย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 ท่านดูตัวท่านเองก็ไม่เคยผิดศีสติเตียนตัวเองไม่ได้เพราะท่านคิดถึงว่าสีหนูท่านดีนะใจท่านเกิดสมาธิขึ้นในขณนะนั้นเลยนะสมาธิจิตใจมันแช่มชื่นจิตใจมันเบิกบานแล้วมีสติอยู่ด้วยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วท่านก็เจริญปัญญาในขณนะนั้นเห็นร่างกายมันกําลังจะตายใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะหมดความยึดถือในกายในใจท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตาย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 ที่ได้ทําไว้ดีแล้วนะหรือเราไปบริจาคทานนะเราไปบริจาคทานแล้วเราอิ่มอบใจเรานึกถึงเรามีความสุขนะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอนุสติอีกอย่างหนึ่งนะเระลึกถึงฐานที่ทําไว้ดีแล้วนะเราลึกถึงความสงบเราลึกนถะึงความสงบเราลึกถึงพระนิพพานพวกเรายัางระลึกไม่เป็นเราไม่รู้จักพระนิพพานเราแค่อนุมาณเอาว่าเออครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ้าเคยเห็น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 อย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสตินะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสติแต่เรียกแบบข้างๆเขียงๆนิดหนึ่งถ้าตามหลักสูตรจริงๆเราลึกถึงพันิานพาลซึ่งเราไม่เห็นนะยังไม่เห็ น, นหรือเรารลึกถึงความตายใจเราฟุ้งซ่านมากหรือเราอาฆาตแค้นคนมากเราโลภมากอะไรเนี่ยหรือคิดถึงความตายบ้างนะใจมันจะหมดแรงดิ้นจะโลบไปทําไมจะเกลียดไปทําไมไม่นานทุกคนก็ตาย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 มันไม่เหม็นขึ้นมาก็เพราะเราคอยสระเอาไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่สระผมใครเคยไม่ว่างแล้วไม่ได้สระผมหลายๆวันมีไหมผู้หญิงจะมีเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายสระง่ายนะเอาหัวมุดน้ำเข้าไปหน่อยก็ใช้ได้ลนะผู้หญิงผมยาวๆที่ทุร้ยเยอะๆสระผมไม่ทันเหม็นมากเหม็นต้องทงาําไงหาอะไรหอมๆมาฉีดนะหลอกๆไว้ก่อนนะจริงๆแล้วมันเหนนะม็นผสมปลก ในร่างกายเนี่ยไล่มาแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นมีแต่ของไม่สวยมีแต่ของไม่งามพอคิดอย่างนี้นะพวกที่ราคารุนแรงอะพอพิจารณาอย่างนี้ราคารุนแรงแลหายใจก็มีความสูงมีความสงบนะอย่นี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะพิจารณาอยู่ในร่างกายผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดืมโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนโลกไป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 สอนสมถและวิปัสนาสอนสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานถามว่าแล้วหลวงพ่อให้พวกเราใช้อารมณ์อะไรใช้อารมณ์ที่ถูกกระจริตของเราต้องดูตัวเองงั้นหลวงพ่อไม่จัดนั่งสมาธิพร้อมกันเดินจงกลมพร้อมกันไม่ได้ทําทําไมไม่ทําเพราะไม่ได้ผลหรอกบางคนปวรจะนั่งเราไปสั่งให้เขาเดิ น, นเขาก็ไม่ได้ผลบางคนควรจะนอนสมาธินะบางคนนอนแล้วภานาดีแล้วเคยมีนะมัใช่ไม่มี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 ก็เรียกว่ามีบุญนะแหละไปเจอท่านพ่อหลีเขาท่านพ่อหลีวัดอโศกธรรมไปหาท่านตอนหลวงพ่อเด็กๆกเล็กๆท่านพ่อหลีเนะี่ยถ้าเจอเด็กๆจะจับนั่งตักเด็กผู้ชายนะถ้าเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้นั่งหรอกเจอเด็กผู้ชายจะจับนั่งตักได้เรียนกับท่านท่านสอนหายใจเข้าฟูดหาใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนับสองนับไปถึง10บนะสิแล้วก็นับมาเก้าแปดเจหกห้าอย่างเหมือนปล่อยจรวด หลวงพ่อเด็กนะนับถอยหลังไม่เก่งพาหนับถอยหลังเราเครียดเครียดนี่ไม่เอาใจมันไม่เอาเองนะมันหายใจไปถึงสิบแล้วต่อสิบเอดสินับไปถึงร้อยเลยนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะแต่นับขึ้นไปเรื่อยๆได้พอถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่ไม่นับถอยหลังแล้วจิมก็สงบเหมือนกันปรากฏว่าไปได้กรรมฐานที่มันถูกจริตคือทมอนาปรนสติแล้วมันมีความสุขงั้นทมอนาประนิสติแป๊บเดียวใจก็สงบละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะี่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 คนมาเริ่มรู้จักตอนท่านไปเาผาศพโลบุฟั่นน่ยท่านเป็นพระโ น, โนเนมไปต้องเดินนะจอดรถอยู่ไกลๆแล้วเดินพระยิ่งใหญ่ท่างหลาท่านก็นั่งรถผ่านชิวๆชิวๆช้ฝุ่นเยอะแยะหลวงปู่ดูลย์อายุต้องเยอะแล้วเดินเดินเดินเดินไปเหนื่อยไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้อยุกเก้าสิบกว่าสมเด็จพระยายนสังวรท่านนั่งรถผ่านมาท่านเห็นนะท่านรับขึ้นรถไปด้วย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 กรบท่านบอกอยากภาวนาท่านหลับตางเงียบๆไปเกือบๆชั่วโมงไม่เต็มชั่วโมงดีหรอกลืมตาขึ้นมาท่านบอกให้ดูจิตไปเลยให้ดูจิตไปเลยท่านบอกว่าพุโทโธพุโทโธเห็นไหมท่านรู้ว่าเราพุโทโธมา ก, ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยบอกพุโทโธไปจิตรวมแล้วนะให้ดูจิตต่อเลยเท่านว่าอย่างเงี้ยให้ดูจิตเอาจิตตองรับตรงภาพมันรวมอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เป็นโยมละแล้วท่านกาแอบให้ดูจิตต่อ ตอนไหนมันฟุ้งซ่านกลับมาหายใจมาพุโทโธจิตสงบหรือบางคนเนี่ยท่านสอนให้ดูกระดูกบางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมีองเดียวหนพ่อไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยแล้วท่านทำได้เพราะว่าพวกเราไปหาไปถามกรรมฐานนะท่านนั่งเงี ย, งยบๆสืบประวัติเราอยู่ต้องเป็นชั่วโมงบางคนสืบนานสืบสองชั่วโมงเพราะว่าอะไรหาความดียากเหลือเกิน ทวนตามไปนะนเคยฝึกอะไรมาบ้างวนะ่าคนก็ท่านก็ใช้เวลาไม่มากนะไม่ถึงชั่วโมงโรู้เล่วคนนี้ท่านทําอย่างนี้นะทําอย่างที่ท่านบอกเราดีแต่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริตอย่างนี้ไม่เคยเจออีกสักองคหนึ่งก็ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มากถ้าเราไปคืนไปถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงหนูจะปฏิบัติยังไงท่านเคยปฏิบัติไงท่านมักจะสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้แหละเราจะตายก็ตาย ต, ายตรงนี้แหละอย่างท่านเคยพุดโธ ท, ท่านบอกให้เราพูดโธรพูดโธดีที่สุดอะไรอยงี้เราไม่ชอบพุดโธรพูดโทรแล้วกลุ้มใจนะโทรแล้วอึดอัดเงี้ยเราก็จะตะวี่ตะบันพุดโธไปจิตไม่สงบหรอกงั้นต้องดูตัวเองนะในถึงวันนี้เนี่ยคนที่เรียนกรรมาฐานเอาจริงเอาจังเรียนจากหลวงพ่อนี่ไม่ใช่เรียนทีละคนจะให้หลวงพ่อบอกนะมันก็เกินวิสัยที่จะบอกครับเยอะเหลือเกินสมัยก่อนไปเรียนอย่าหลวงปู่นานๆมีวปเรียนสักคนหนึ่ง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 ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเรานั่งสมาธิเนี่ยคิดว่าจะทำใจให้สงบก็บังคับให้ใจสงบเนี่ยแล้วนะบางคนก็หน้านิ้วคิค้วขอมวดนะเครียดจัดเลยดูจนสติจะแตกส่วนบางคนก็เพลิดเพลินนะตื่นขึ้นม า, าวันนี้ภาวนาดีสงบควาจริงสลบไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยอย่าให้ขาดสติขาดสติเมื่อไหรา่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นนะ โมหาแทรกก็ไม่ใช่ของดีตายไปเป็นเทรฉ า, านาง่ายๆสังเกตไหมพวกหมาพวกแมวเวลาอยู่เฉยๆใจลอยถ้าไม่หลับก็ใจลอยนะอาชีพหลักของมันเลยไม่หลับก็ใจลอยยกเว้นตอนหาอยู่หา ก, กินเท่านั้นแหละที่จะต่อสูนะ้เวลานอกนั้นเอาไว้ขาดสติเฉะนั้นทํากรรมฐานเลือกเอาเองจะใช้กรรมฐานอะไรนะอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขอยู่อารมณ์นั้นอย่างมีสติ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 เขาบอกว่าเขาตั้งอย่างไรเขาก็ต้องหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทแต่เขาใช้วิธีหายใจทิ้งไปนิดหนึ่งก่อนหายใจออกไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกอยู่เห็นร่ากายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าฟูดหายใจออกโทถ้าทําอย่างนี้นะจะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะพวกเราที่ทําอานาปนสติแล้วจิตไม่ยอมสงบง่ายๆนะบางทีไปจ้องใส่ลมหายใจจะไปจ้องอยู่ที่ลมเงี้ยถ้าจ้องใส่ลมนะมันจะเป็นกระสิน เป็นกสินลมนะกะสินทําไปเรื่อยๆลมจะค่อยๆดับดับับกลายเป็นแสงกสินทั้งหลายเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กสินอย่างหนึ่งแล้วกสินที่เหลือเนี่ยจะง่ายแล้เพราะมันจะกลายเป็นแสงแบบเดียวกันยังไงถ้าเราจะทําอานาปนสตินะให้จิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวจริงไม่หลงไปทางกสินกสินเนี่ยมันมีข้อดีบางทีก็มีฤทธิ์นะเล่นโน่นเลน่นนี่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาเจริญปัญญาเนี่ยค่อนข้างยาก พรมันสนุกกับของเล่นของจริงเลยไม่เอางั้นเราลองปรับวิธีใหม่หายใจยังไงหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกไงเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปเห็นแค่ลมหายใจถ้าเห็นแค่ลมหายใจเนี่ยจิต จ, จะไปจ้องที่ลมหายใจจิต จ, จะอึอดัด น, นะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตจะผ่อนคลายรู้ไปด้วย จ, จิตที่มีความสุขรู้ไปด้วย จ, จิตที่ผ่อนคลายแป๊บเดียวก็สงบ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 ที่อยู่ของเราสักอย่างหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเพราะเราเป็นชาวโลกเป็นคารวาสวันๆเรามีเรื่องที่เครียดมากมายเลยแล้วเราก็แก้เครียดด้วยกันไปดูหนังไปฟังเพลงไ้กินเหล้าไปอย่างโน้นไปอย่างนี้ไม่หายถ้าเราใจของเรามีพัฒนากานะเราสามารถมีที่พึ่งในใจของเราถึงเวลาเรามาเข้าทำกรรมฐานถึงเวลาเราก็ทาทุกวันทุกวันใจเราได้พักผ่อนมีความสุขกว่ากันเยอะไม่เสียสตงค์ด้วย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 เป็นแสงแล้วก็จิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาท่านบอกว่าท่านนั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช่ลมท่านใช้พุทโธหลวตามมหาบุูให้ท่านพุทโธพุทโธพุทโธนะท่านบอก ท, ท, ท่านพุทโธแล้วท่านก็รู้สึกอยู่ตรงนี้ยพุทโธแล้วสบายตรงนี้สบายของท่านนะของเราอย่าเรียนแบบนะตรงนี้สบายของท่านถ้ า, ถาเราอยู่ตัวนี้เราอึดอัดอุ้ยปวดหัวปวดตาอะไรองนี้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เ้าให้สบายสบาย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 รวมขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ไปสําคัญมั่นหมายผิดๆว่านี่คือตัวเราที่จริงเป็นกลุ่มของรูปจํานวนมากเป็นกลุ่มของนามจํานวนมากอย่างในร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ําไฟลมนะแต่ละธาตุก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ว่าธาตุเนี่ยมันเวลาเกิดนะเกิดดับนะตัวรูปเนี่ยเวลาเกิดดับเกิดเป็นกลุ่มๆเกนะิดเป็นกลุ่มๆเรียกกลาบกลาปะเกนะิดเป็นกลุ่มๆ นี่เราไม่ต้องแยกละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะเริ่มเริ่มตาตาค้างแล้วอะไรวะ <c oughs> ม, มันยากเกินไปก็ไม่ต้องนะมีของที่แยกง่ายกว่านั้นนะคือแยกนามแยกนามามทํารู้จักโกรธไหมโกรธเนี่ยแยกต่อไปไม่ได้แล้วแยกถึงที่สุดแล้งั้นเป็นตัวสภาวะธรรมแ ท, แท้แล้วตัวโกรธตัวโลบโลบยังไงก็คือโลบโลบไม่เหมือนโกรธใช่ไหมโลบไม่เหมือนหลงโลบคือโลบ แยกต่อไปไม่ได้ล้มีแต่รอบมากกับรอบน้อยนะแต่รอบก็คือรอบเพราะรอบนี่มีสภาวะธรรมเป็นตัวธรรมะแท้ๆเป็นสภาวะแท้ๆ แ, แล้เราจะต้องแยกรูปนามนะจะเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันถ้าเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันตัวเดียวเชิงเดียวนะเช่นกกกโกรธก็คือโกรธรอบก็คือรอบสติสมาธิปัญญาสติมันก็ไม่เหมือนสมาธิ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 ห้าสิบสองตัวแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแยกได้ทั้งเจ็ดสิบสองตัวนะอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยคือนิพพานเานั้นไม่ต้องไปคิดแยกหรอกนะเราจะดูดูจนกระทั่งถึงสภาวะเชิงเดี่ยวของนิพพานจะไม่เห็นถ้าเป็นปุถุชนไม่มีทางเห็นนะจะกลายเป็นหลงในช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นอากาสานัญจายตนะเนี่ยเราหัดดูสภาวะที่ง่ายๆที่เรามี พระพุเจ้ายกตัวอย่างมาสภาวะอะไรที่ง่ายๆที่พวกเรามีที่ใครๆก็รู้จักสุขรู้จักไหมสุขทุกข์รู้จักไหมเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไหมเนี้ยง่ายๆสภาวะอย่างเงี้ยมื่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธหลงไหมนะรู้จักอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนี้ยอารมณ์นานาชนิดนะนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหลาย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 รูปธรรมแท้ๆเนี่ยดูยากมากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงนะยากที่จะเข้าไปดูรูปแท้ๆได้จะเข้าไปดูจนเห็นรูปดินน้ำใยลมอะไรเงี้ยดูยากอากาศสธาติเนี่ยดูยากรูปที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นรูปข้างเคียงทนั้นเองอย่างเป็นต้นว่ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เรียกว่าวิญยติรูปนะไม่ไม่ใช่รูปตัวจริงจังอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเทียบเคียง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 พูดธรรมะกับท่านว่าแต่ภาวนาอย่างนี้นะท่านน้ำตาไหลท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกับท่านนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านว่างี้คล้ายๆองค์ที่เชือดคอนะแต่นั้นสมัยพุทธกาลแต่องค์นี้ไม่ได้เชิดวันนี้ท่านก็ไม่สบายนอนอยู่แต่ท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะทำให้หลวงพ่อเนี่ยกราบท่านแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มใจเลยท่านบอกว่าเราภาวนาเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เลิกอีกร้อยชาติเราก็จะภาวนา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 งั้นถ้าเห็นทุกข์นะจึงจะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมงั้นภาวนาละใจสงบใจสบายใจโล่งใจว่างนะอยู่กับว่างอยู่กับสุญญตาไม่ได้กินหรอกถ้าได้ยินใครพูดอย่างนี้นะรู้เลยนะว่าพวกนี้ไม่ได้เจริญปัญญานะติดอยู่ในสมาธิชนิดสงบเท่านั้นเองชาตินี้หรืออีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเลยถ้าไม่ได้เจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาเนี่ยมันจะมารู้รูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมนะตกอยู่ใต้ไตรลักษ เกิดแ <S an> ล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะตอนที่ยังไม่ทันจะดับก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปเรื่อยๆนะเนี่ยว่าทุกขงังอันนี้จังหมายถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วก็ดับไปของที่มีนะหายไปเรียกว่าอันนีจังทุกขังก็คือของที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปให้หายไปอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมีอยู่หรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปนะเราสั่งไม่ได้เป็นไปนตามเหตุ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 ใจก็จะเข้าสัมผัสพานิพานมีความสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้านิพานที่ไหนเลยนะิพานที่เข้าเข้าออกออกได้ไม่ใช่นิพานตัวจริงนะิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยนะใจเรามีความอยากมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะรู้ทุกเมื่อไหลลาสมูทไถยเมื่อนั้นลาสมูทไถยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งนิพานมานั้นนะในขณะที่แจ้งอนิพานนั้นนะอริยมรรคก็เกิดในขณะนั้น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 ชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสันตินั้นถ้าถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนะตอบพระไปเสียงดังๆบอกว่าจำมาว่านิพพานมีลักษณะสันติสันติลักษณะนิพพานะ่ะรู้จักโทสะไหมมีลักษณะของมันใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นมาแล้วแหมมันทําลายล้า ง, างนะรู้จักโลภะไหมมีลักษณะของมันนะมันดึงเข้ามาดึงอารมณ์เข้าหาตัว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 สงบอยู่ได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรจิตไม่กระเพื่อมเลยจิตไม่มีความกระเพื่อมบั่นไหวเลยฟ้าผ่าเปรี่ยงในจิตไม่ไหวเลยนะไเรียนนะวันนี้หลวงพ่อสอนค่อนข้างละเอียดในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฟังมาแล้วนะงั้นหลวงพ่อก็เลยหาธรรมะที่ประณีตมากขึ้นอย่างน้อยเจริญตัญญาไปแล้ดูจิตดูใจทางานไปถ้าวันไหนดูจิตไม่รู้เรื่องดูกาย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 ค่ะความนันบถือการเมือพ่อนะคะคือ <c ười> เขาบอกเ้าชื่อฟลาฟิโอนะคะเข้ามาจากบราซิลและเขาก็มีความสนใจในคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนามากถึงแม้นว่าครอบครัวจะเกิดมาในศา ส, สนาคริสต์นะคะ And I came across your teachings about six months ago on vipassana and uh, the mindfulness and self-awareness uh, they come to me in a very spontaneous and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 And came and lasts for a few seconds, but away and think was a seconds think strong uh, moment It it it I it but few very for go เขาบอกเมื่อเมื่อต้นปีนะคะคือเขาได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อประมาณ6เดือนนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็ตกใจเล็กน้อยเฉยๆว่าเออมันคือความรู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมาถูกทางหรือเปล่านะคะถูกเป้เลย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 เขาบอกว่าไม่ไม่เหมือนกับปกติที่เขารู้สึกกระคาทนเพราภาวนาถูกแล้วล่ะ ใ, ให้ให้รู้ตัวนี้ต่อนะเวลาจิตมันไปคิดจิตมันเลื่อนไปคิดรู้ทันไม่ห้ามแค่รู้ทันเฉยๆเรื่อที่ภาวนามาใช้ได้เลยนะนี่ขนาดอ่านหนังสือนั้นเนี่ย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 ต้องปรับตัวเยอะเลยเสียเวลาหลายเดือนเลยกว่าจะปรับตัวได้ถ้าเวลาเราน้อยนะอยู่ในาากะลาวาสอย่างนี้ภานาไปเลยก็คือให้เขาพอนะอย่างที่เขาทำอยู่ใช่ไ<ช>หมคะท่านเข า, าทำได้ดีอยู่แล้วไปบวชตั้งวันวันเนี้ต้องต้องรีบตะลีตะลานตื่นตื่นแล้วต้องพยายามเข้าส่วไม ไ, ไม่งั้นตอนไปบินทบทนะัตะจะทําไงอะ่ะใช่ไถ้ายุ่งตั้งแต่ตื่นเลยนะแล้วมันจะกว่าจะปรับตัวได้เนี่นาน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 Because if you want to enter and practice monkhood, then you would have to uh, waste a lot of time, uh-huh, and month to do many things that a uh, in in terms of being monk. So the way that you are practicing is the right way already. Thank you. Talk Put Thai chat. w o Bang Kun. เด็กเดี๋ยวนี้ไม่ขอ n คุณไม่เป็นนะ เราทําแบบมันไม่ได้มันทําลิ้นแบบแบบเขาแกา <S <S ส่งส่งกันบ้านนะคะไม่ได้ปแซฟ่ <Okay. S 2> <laughs> ไม่ได้ส่งมาประมาณ5ปีแล้วคะ่ะท่านแล้วก็ข้อวัดยังไม่ทําได้มากก็ mm hmm. ตัวเองจะมีความโกรธเยอะเมื่อกีนนี้ได้ทันหลวงพ่อสอนว่าดูตัวโกรธ mm hmm. ก็จะใช้ตัวโกรธที่เป็นประโยชน์ mm hmm. แต่นี้จะเรียนสอบถามว่าปกติจะพยายามดูกายนะคะ mm hmm. เวลากายเคลื่อนไหวแต่ใจมันคอยจะโผล่ขึ้นมาหรอว่าไหลไปอันนี้ไม่ได้ใส่ว่าทํำถูกด้วยหรือเปล่านะคะคือ <c oughs> โดยในใิสัยนะตัวที่ดูง่ายคือตัวโกรธมันเด่นเังนเวลาใจมันงหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันล้วก็เห็นมันหงุดหงิดได้เองเดี๋ยวมันก็หายของมันเอ ง, คเเ ง, อเงแค่รู้ความรู้สึกไปไปดูกายเนี่ยจะเพ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดเพ่งซะแค่รู้ความรู้สึกไปกราบกราบหลวงพ่อเจ้าทา ตอนนี้จิตมืโมหะเยอะมากเลยเห็นด้วยค่ก็ไม่มีอะไรนอกจากว่ามาไกลก็อยากให้หลวงพ่อชี้ทางต่อให้เร็วๆหน่อยใช่ไหมไม่มีก็ก็เห็นอยู่ว่าแปดปีก็ได้ผลว่ากิเลสเห็นกิเลสมันน้อยลงนะคะแต่ก็ยังเห็นว่ามันมีอยู่อีกเยอะมากมายเราก็ได้ฝึกเพื่อจะล้างกิเลสแต่เราฝึกให้เห็นว่าสีใดเกิดสีนั้นดับสีทั้งหลายบังคับไม่ได้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 แต่ถ้าตั้งเป้าผิดน้มันเหนื่อยว่าไม่ผิดเราอาจจะพูดผิดออก็รู้กิเลสอยู่แต่ว่าออก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ผิดใช่ไหมคะยังถูกทางอยู่รู้สึกไหมใจมันขับค้องใช่ไม่ถูกหรอกไม่เห็นใจที่คับค้องใช่สมาธิน้อยไปไหมคะใจมันอยากรู้สึกไหมใต้ลงไปแนละ้วมีความยากคุณน่าจะมีค่ะมีไม่น่าจะ เนื้อรู้อย่างนี้นะรู้เข้าไปกระท้อเปลือกตัวเองเข้าไปรู้ซื่อใจกล้าๆนะค่ะเรียนรู้ความบกพร่องเรียนรู้กิเลสของเราเนี้ยรู้ทันนเข้าไปยังมีอยากลึกๆใช่ไหมคะใช่เหมือนแกล้งว่าจะไม่รู้ว่าจะรู้แล้วเนี่ยไม่อยากหรอกใชนไม่อยากแล้วนะเนี่ยเนี้เดี๋ยวเขาเมื่อไหร่จะได้สักให้เห็นตัวนี้มะจ๊คะเออนะรู้ทันแล้วการภาวนาจะสบายนะ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 มันบวชแล้วไม่มีหน้าที่อื่นมันก็ต้องภาวนาค่ะพมันก็บีบคั้นเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกฝรั่งไว้อย่าเพิ่งบวชเลยถ้าบวชแล้วมันจะลุยแบบนี้นะมีเวลาสองปีหมดเลยแต่ไม่จริต้องบวชอยู่นะคะบวชบวชไปบวชแล้วจะสึกทำไมล่ะเพราะว่ามันชื่นมันชื่นใจในการเป็นเป็นนักบวชที่เพียรภาวนาค่ะหลวงพ่ดีดีมันชื่นใจที่ได้บวช่ะนั่นแหละ แต่เอ๋หลวงพ่อมากบอกหลายคนว่าอย่าบวชมันอชีก็เริ่มลังเลใช่ไห้เนี่นี่บวชไปแล้วงานก็ลาออกไปแล้วบวชแล้วต้องใช้ชีวิตนะให้มันสบายหมายถึงไม่ใช่สุขสบายอย่างโลกๆหรอกสบายในการภาวนาของเราค่เอาเวลาเนี้ยมาภาวนาได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องอื่นเจ้ายังทํากิจกรรมเยอะอยู่หรือเปล่าไม่เลยหลวงพ่อสบายมากเลยอยู่วัดนั่ภาวนาอย่างเดียวดีดี ผู้หญิงนาไปบวชนั้นลำบากงานเยอะบางวัดนะเขาใช้แม่ชีในไหนไปทำไร่อยู่บ้านทํานามาบวชทำไร่บวชหาสบันวิมารไลยที่ไม่เป็นค่ะที่วัดสบายออมีแม่ชีตามไปบวชเยอะอยู่สุพค่ะ <pec> เราไม่ได้เอาสบายหรอกนะ<ค>บวชเราพอนาให้สบายมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ดูรูปนามดูคันท่าทำงานไม่ดูคนอื่นเลิกค่ะเลิกภาวนาไปสักพักดีไหมคะหลงพ่อเลิกภาวนาไปสักพักลงไม่ได้ไม่ได้ของแม่ชีต้องภาวนาไม่เลิกเลิกเท่าไหร่ฟุ้งแหลกเลยเพราะโดยพื้นเนี่ยฟุ้งเก่งอยู่แล้วให้คนอื่นบ้างจ่าถึเจ้าค่ะของหลวงพ่อค่ะท่มัดการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีหนึ่งคือจิตมันมันถูกคล้องงานด้วยความกลัวเนี่ยเป็นปีแล้วเพราอมันมันเสียดายอ่ะ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 แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมคะมันดับไหมล่ะมันดับค่ะเออแเราจะมาถามทําไมแต่มันกลัวมันปรุงแต่งต่อเอออย่าไปปรุงต่อให้ร่วเอารู้เราปัจจุบันแล้วก็จบตรงตรงนั้นแหละสรุปแล้วหนูไม่ต้องมีกรรมฐานนอกจากดูติดไปตรงตรงรู้สังเคราะห์ใช่ไหมรู้ซื่อๆไไม่ต้องไปเสด็งดัดแปลงควบคุมบังคับกดข่มหรือเพราะว่าทํามาหมดแล้วทําไปก็ไม่ได้ผลอะไรใช่กรรมไม่ได้ผลเลยเจ๊งทุกเจ๊งทุกท่า นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นสอนมาตั้งนานแล้วมันมันง้อฮะง้อแล้วก็ดื้อจริงจริงดื้อเนี่ยที่หนึ่งนะใช่ใช่อยู่ในกลุ่มอันดับท็อปเตนเลยนะใช่ใช่แต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะทําให้เราหายดื้อชุกมากค่ะมากสาหัสมากเออพอเห็นทุกข์แล้วสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริงหรอกค่ะดังนั้นตอนนี้งานเล่งด่วนตอนนี้นะรู้ทัน ความทุกข์ความเศร้าทมให้พอใจดูเข้าไปตรงๆอย่าให้ครอบจิตต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งไม่ใช่เหลวไหลนะจิตมันมีพัฒนาการขอบพระคุณค่ะธาดขันมันแยกิญชำนาญหนูก็เลยยังกลัวบ้างยังยังดีอยู่อ่ะกลัวก็ดูกลัวไม่ใช่คล้ำครวนโอเคค่ะ นมัดกรารหลวงพ่อครับเห็นไปเยอะผมส่วนมากดูแค่เวลาเดินก็ดูเท้ามันเดินฮะถีบจักรายานออกกําลังก็ดูมันถีบไปแค่เนี้ย อ, อารมณ์อะไรไม่ค่อยได้ดูไม่ทราบพอจะมีแหววบ้างไหมครับร่างกายนั่นแหละตัวอารมณ์เราใช้กายเป็นอารมณ์ครับใด้รูปเป็นอารมณ์ครับเห็นรูปมันทํางานครับแใ่เราอยู่ต่าหากเป็นคนดูสังเกตไหมขันมันแยกได้ครับขันมันแยกแล้วล่ะการภาวนาไม่ยากแล้วครับ มันอยู่ที่ว่าจะดูได้มากแค่ไหนดูจนมันพอครับคําว่าพอก็คือใจยอมรับความจริงว่าตัวที่เดินอยู่ตัวที่ขี่จักรยานอยู่ไม่ใช่เราหรอกครับนะในจิตที่ไปดูก็เป็นแค่ธรรมชาติอันนึงครับเป็นสภาวะธรรมอันนึงครับไม่ใช่คนไม่ใช่สันไม่ใช่เราอีกครับดูถ้าจะดูกกายก็ให้เห็นกายกับจิตที่รู้กายไม่ใช่เราดูนี้ครัขอบคุณหลวงพ่อครับ แบบนมัส ก, การท่านหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านรอบครึ่งปีอะคะอ่ะออ่าก็ที่ผ่านมาหลวงพ่อกเคยแนะนําให้อ่าไปแยกธาตุยาขันเลยก็ไปกลับไปดูแล้วสิ่งที่หนูติดรู้สึกติดติ ด, ตดอยู่รู้สึกเหมือนกับตัวสังาขารขันนะคะที่มันมั น, ม, นมันคิดกับจิตที่เป็นอกนุศลเนี่ยมันมันไปเหมือนกับอ่าความคิดเกิดแล้วจิตอกุศลเกิดตามอะไรเงะะี้ยค่ะควา ม, มคิดเนี่ยไม่ใช่สภาวะธรรมนะ ไม่เป็นไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมความคิดเอะในคิดอะไรก็ช่างมันแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกอ่ะนม่เรารู้ถึงความรู้สึกงั้นปล่อยให้ใจคิดแต่ว่าพอคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนี้รู้น่าจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะแต่บางทีเหมือนกับบางครั้งขณะไหวพระก็ตามหรือว่าแปะทองที่พระก็จะเห็นจิตที่แบบหลุดความคิด หนไม่แน่ใจว่าจิตหรือความคิดที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจห<อ>รอไม่อย่างนั้นเรารู้ว่าอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็รู้ยังดีเปียแย่ทองพระบางคนมันลอกทองพ้านะก็เลยแบบเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับผิดในใจไม่ไม่ผิดถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลใช้ได้เป็นบุญใหญ่นะ อ, อ่ะต่อไปธรรมส ก, กานเจ้าค่ะ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 ควบคู่พิจารณาไปแต่ว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ายังมีความเจ็บแส้อยู่เยอะอยู่มากแล้วเมื่อหนูพยายามทาต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆจนเวทนายังอยู่ความเจ็บปวดยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันแยกออกมาทำให้หนูไม่ดิ้นรนหนูขอถามตรงนี้ว่าตรงนี้นี่มันคืออัปปนาหรือเป็นอะไรกไ ม, ไม่ไม่เป็นอัปปนานะ เยอมากก็เป็นอุ ป, ปจาระตรงนั้นนะจิตมันเด่นดวงขึ้นมาน ะ, ะมันยังไม่ได้มีวงของฌานขึ้นมามันมีวิตกุพิจาร์ไม่มีปีติสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เริ่มมีเอกาตาต้นๆ น, นแล้วคราวนี้หนูอยากจะถามว่าถ้าการดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้แต่คราวนี้หนู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 หายใจเข้าตามมันไปไม่ว่าจะสั้นหรือยาวคือจริงๆไม่ได้ตามหนูหายใจจะเข้าหายใจจะออกเนะี่ยเราไม่ขาดสติเลยเราไม่ไม่ไม่ส่งจิตตามลมไปนะคะ่ะแต่ว่าทําใหม่ๆมันยากพอส่งจิตตามไปหนูรู้สึกเหนื่อยแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องส่งจิตนั่นคือว่าให้แค่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 ไม่ใช่ตามลมแต่ว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกจนสุดสายซึ่งตรงนั้นแล้วถ้ามีสติจับดีๆมันจะเห็นช่องว่างของการออกหยุดแล้วเข้าใช่ไหมคะใช่ค่าหนูยัง<ต>ทำ ไ, ได้จุดสำคัญจุดสาคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายนะน ะ, ะสมาธิเนี่ยทำเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นจุดสาคัญอยู่ที่จิตแมืเรามีสติรักษาจิตอยู่อันนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ เวลาที่จิตสงบลมลงมาเนี้ยนะลมจะค่อยๆตื้นๆตื้นๆจนกทั่งลมมันหยุดนะแต่จิตนั้มันทรงตัวเด่นดวงอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ะมันไม่ใช่ว่าไปยุ่งอะไรกับลมหรอกมันทิ้งลมไปค่ะพอถึงตรงนั้นแล้วจิตมันเปลี่ยนฐานจากที่ปลายจมูกพอหนูรู้สึกเริ่มสงบแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับการที่มันตามรู้นะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องแตง<ร>ามันเปลี่ย น, ยนที่ใช่แล้วก็รู้ตัวเนี้ยแล้วก็ส่งไปเงี้ยนะ มันเปลี่ยนที่จากปลายจมูกพอเริ่มสบายแล้วหนูเห็นแค่ <he? S 2> ร่างกายมันตรงหน้าอกกับเพื่องเฉยๆแล้วคราวนี้หนูเกิดความเบาสบายขึ้นมาแล้วคราวนี้หนูมีคำถามตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งจนถึงละเอียดแล้วเหมือนกับจะไม่หายใจพอสิ้นลมตรงนั้นแล้วจริงๆมันไม่ได้สิ้น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 ค่ะแต่คราวนี้ทั้งชีวิตของหนูมันวนเวียนตรงนี้พอมันขึ้นมาถึงได้ตรงที่ละเอียดแล้วเหมือนไม่หายใจหนูก็ไปวกกลับไปคว้าลมม า, าเพื่อที่จะไม่ถูกนะพอไม่ถูกตรงนี้หนูถึงถามาว่ า, าถ้าจะดิ้นต่อก็อสงบอยู่ตัวนั้นแหละอย่าให้ขาดสติให้ดูที่ตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าไม่หายใจไหมคะอยา่าไปจงใจดูสิถ้ายังจงใจอยู่หนะรือจิตก็ฟุ้งอีกมันจะไม่จงใจนะ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 คืออย่างนี้ถ้าเราใช้เวทนาหรือปัศนานะต้องไม่ถอยดูเข้าไปเลยให้ระเบิดไปเลย<น>แต่ถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยมันทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวจริงจริงสติจะแตกเนี่ยนะถอยสดีกว่าเพราะว่าหนูถอยมาตลอดจนปีนี้หนูก็เลยไม่ถอยแล้วพอม า, าสุดท้ายรู้ไหมว่าจิตไม่ปกติค่ะรู้สึกไหมว่าจิตมันไม่ค่อยปกติ หนุทุงมาวันนี้จิตวันมีโมหะครอบไปเรื่อยๆเจ้าค่ะถ้างั้นหนูถามคำถามสุดท้ายว่าหายใจหไว้วก่อนหายใจแล้วรู้สึกตัวด้วยใจที่ผ่อนคลายมีจิตใจผ่อนคลายไปเออส mm hmm. ิตให้ทรงอยู่ขนาดนี้นะเดี mm ๋ย hmm. วแล้วรักษาไปตัวนี้ก่อน ขออนุญาสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทาาขันที่พอครั้งสุดท้ายที่นั่งหนูเริ่มมองเห็นความร้อนของขา<ม>แล้วก็เห็นความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ<ม>แล้วอยู่ดีๆหนูก็ตัดใจคือหนูเห็นเวทนามันเกิดขึ้น<ม>หนูก็นั่งเฉยๆแล้วมองเพ่งลงไปที่ขาด้วยความรู้ส<ม>ึก<ม>แล้วหนูก็เห็นเวทนาไปเกาดรัดกับก้อนเนื้อ<ม><ม>ตัวที่มันเจ็บ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 หนูเห็นธาตนะจใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ความเจ็บปวดแต่ทําไมตอนหลังความเจ็บปวดนั้นหนูก็ยังเห็นว่ามันยังทรงอยู่แล้วหนูก็แยกออกมาเด่นชัดแล้วหนูก็มีควา ม, มสึกว่าจิตขนาดเนี้ยติดอารมณ์ตอนนี้หนูต้องกลับไปทํำยังไงอีกจ้าคะทําสติไว้ให้ดีนะจิตถูกอารมณ์ครอบงําแต่ยังไม่เห็นอันนี้อันตรายนะใช่คะ่ะแล้วต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวอย่าลืมกรรมฐานไปก่อนรู้สึกเอาไว้คะ่ะ ให้คนทง บ, บ้างนะมัะนอันตรายเหมือนกันนะพาวนาไปเรียนกันแปลกๆครับหลวงพ่อเจ้าค่ะอทีแล้วหลวงพ่อแนะนำว่าให้ภาวนาพุทโธเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตยังฟุ้งมากอยู่ขนาดนี้ก็ยังมีฟุ้งมากอยู่ใช่ได้แล้วแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นมากก็คือ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 แม่ี่แนละ้วใจมันไหลไปแล้วเพิ่มสติไว้อย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกนะสึกตัวใจไหลแล้วรู้ใจไหลเรารู้สมาี่ไม่พอแล้วเรื่อใจเคลื่อนไปให้รู้ทันนะไม่งอันตรายนะค่ะของคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะภาวนาใช้ได้ขอกัรน้ำเงี้ยงแการบ้านต่อค่ะหุกงพ่อขอการบ้านด้วยคนะ่ะ กันบ้านทำอย่างนี้แหละทาถูกแล้วเนี่ยบ้องคุณหลวงพ่อแล้วนะทำงานไปนะะดูออกแล้วล่ะขอบคุณหลวงพ่อทุก่านการหลวงพ่อค่ะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็คือทําในรูปแบบเธอศีลห้านะคะเ อ, อการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือว่าเรานั่งมองว่าเราหายใจอยู่นั่งดูลมหายใจทีนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูตรงนี้แล้ว ให้คิดต่อเรื่องผมขนเล็บฟันหนังอันนี้คิดไม่เป็นแต่ว่าทุกวันนี้ใช้กรณีดูว่าจิตไหลไปแล้วรู้ใช้ได้ใช่ไหมคใช้ได้ค่ะแต่คอยรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านะฟุฟ้งมากค่นะหลวงพ่อรู้ทันตัวนี้ไปแล้วพอเรารู้แล้วใจมันค่อยสงบเข้ามาหลวงพ่อคะแล้วถามว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะได้โสดาไหมคะไม่ให้อย่างนี้ไม่บอกเรก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 ก็ทําอย่างนี้แหละแต่ยังนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสังเกตไห้ขันมันก็แยกไปหมดนะครับผมขันมันแยกได้นะมันจะเป็นสัตว์แต่ว่าขันทํางานครับมันไม่ใช่เราหรอกครับดูไปเรื่อยๆจใจมันยอมแต่ใจยังไม่ยอมหรอกใจยังอยากอยู่มันยังอยากอยู่ครับเพราะว่าอยากเลยต้องทําต่อเดจะทํำไปเถอะขอบพระคุณครับดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับกราบนมัสการค่ะหนู ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยค่ะเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่เคยเจอหนูคือหนูก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ <c oughs> ไม่คิดว่าหนูจะมาส่งคือหนูปฏิบัติมาตลอดค่ะก็อย่างที่หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังคือทุกอย่างหดูสังเกตไห ม, ไหมว่าเดี๋ยวกิเลสก็ามาเดี๋ยวกิเลสก็ไปเห็นไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสุขก็มาเดี๋ยวสุขก็ไปทุกมาทุกไปนะดูอยู่อย่างงั้นแต่หนูดูอย่างนี้แหละดูสบสบาย ไม่ได้ดูเพื่อเอาอะไรนะค่ะก็เวลาหนูเจอเจอเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยสามีก็จะบอกว่าก็แค่รู้นะก็แค่ดูไปค่ะก็ฝึกฝึกด้วยกันค่ะแล้วทุกวันนี้เวลาเวลามีปัญหาหรืออะไรคือหนูจะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็บางบางคนที่เขาส่งการบ้านเงี้ยมันมันบังเอิญว่าตรงกับที่เราเจอหนูก็จะแบบ ออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งอะไรรู้จะอยากถามหลวงพ่อแค่ว่าที่หนูปฏิบัติมานี้ถูกทางแล้วถูกเวลาใช้ได้ต้อไปทําอีกนะก็คือแค่รู้ไอ้อย่างนี้ทีเลตตัวไหนเกิดบ่อยโทสะค่ะใช่ถูกต้องเยอะมากเกิดแล้วรู้ใช่ค่ะก็ขอโทษกันทุกครั้งกราบขอโทษกันทุกครั้งอ่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจกันค่ะว่า มันเป็นธรรมชาตธรรมดาดูไปนะโทรศัพกิดกรู้โทรศัหายไปก็รู้นะะแต่ถ้าโทรศัมันเกิดบ่อยๆเราก็เจริญเมตตาบริกรรมไปเมตตาคุณนางอรหังเมตตาบริกรรมไปต้องต้องทำสมาธิหรืออะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้องหรอกทำให้ลงหรอกใบริกรรมเอาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองใช้เจริญเมตตาไปแหละดีเมตทาไว้เออเจริญเมตตานะทำใจเป็นมิตรนั่นแหละ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 ไม้นโกรธทีไรก็ทุกข์ใจไม่อยากโกรธมันจะค่อยๆลดลงให้ชีอาสติขอบคุณค่ ะ, ะน้ำมัศการค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งการบ้านครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้ น, นะคะ่ะไม่ต้องตื่นเต้นภาวนาใช้ได้ก็หนูพยายามภาวนาอย่างจริงจังประมาณสองสามเดือนนะคะหลวงพ่ อ, อสภาวะที่รู้สึกว่าเห็นได้บ่อยก็คือ รู้สึกว่าหลงคิดอย่างเงี้ยเห็นบอยค่ะหลวงพ่แบบหลงบ้างอ้าวรู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปแล้แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่มักจะไม่ค่อยเห็นตอนที่มันเป็นหัวขบวนนะคะหลวงพ่อหลงไปแล้วจะเห็นตอนรู้อย่างเงี้ยค่ะถูกว่าตอนที่กําลังหลงอ่ะสติจะไม่เกิดแต่ว่าพอหลงไปแล้วพอสติเกิดก็หายหลงสติกับหลงไม่เกิดด้วยกันแต่ว่าถ้าดูกายดูลมหายใจนี่มักจะแบบ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 ไม่งั้นเวลาบางวันฟุ้งซ่านมากเนี่ยไม่มีที่พักเลยใชย่ารู้ลมหายใจไว้เนี่ดีแล้วรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตขอบพระคุณหางหลวงพ่อครับนักบัชาการหลวงพ่อครับผมมึงส่งกระรแรกครั้งแรกนะครับก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ห้าสองครับแล้วก็มาฟังสีดีหลวงพ่อเมื่อต้นปีที่แล้วห้าเจ็ด แล้ทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าผิดเนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ่อก้าวช้าๆเหมือนลูกขึ้นครับสามวันดีสี่วันไข้สามวันดีสีวันไข้ในการปฏิบัตินะครับการภาวนาแนละ้วเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้นครับแล้วก็เอ่อครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองเ<ล>อครับครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็คือเห็น เห็นว่ามือเป็นอะไรไม่รู้ก็พยายามจะนึกครับว่ามันคืออะไรแต่ก็ตกใจอย่างที่ซีดีหลวงพ่อบอที่หลวงพ่อแนะนำครับแต่ว่าก็สักพักหนึ่งก็พยายามมองพยายามจะหาสัญญาว่ามันคืออะไรก็มองไปเรื่อยๆแต่มันก็ไปรวมครั้งที่สองเห็นเหมือนกันครับเห็นท่าเดิมมือข้างเดิมหลังจาก4ี่ห้าวินาทีมันมีมันเข้าไปรวมปั๊บมันสัญญามันขึ้นมาว่านี่คือแขน เห็นอย่างนี้ถูกไหมครับสัญญาส่วนสัญญานะมีไม่มีไม่สำคัญอ่ะครั บ, รรบตัวสำคัญก็คือความรู้สึกที่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราหรอกครับใช่ตัวสำคัญอยู่ตัวนี้ครับผมแ ล, แล้วชื่อได้ไม่ชื่อแต่ไม่ออกไม่ ม, ไ ม, มีความหมายเลยครับความหมายใช่ครับผมแล้วในรูปแบบที่ทำอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันพิกไปเป็นสมถะอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็คือบางครั้งดูกายนั่งหายใจอยู่แต่ว่ามันเปนิ่ง สักพักมันถอนออกมา อ, ม อ, มอย่างนี้เรื่องเรียกว่าเริ่มเดินปัญญารียวครับถูกละครับผมแล้วเวลาที่เราพนานนะจิตจะรวมเพราะมาภาพักอย่าไปฝืนมันอ๋อครับนะให้เขาพับไปพอเขาเคลื่อนออกมาแล้วก็ดูรูปนามเกิดดับต่อไปครับอย่างนี้แสดงว่าผมก็ทําแนวนี้ต่อไปถูกต้องทำได้ครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อบําบัดเลิกไหมครับหลวงพ่อจะมีอะไรสรุปไหมรือให้ได้เห็น สรุปนาอย่าให้ขาดสตินะรู้ตัวไว้รู้สึกไว้รู้สึกไว้นะแล้วพอสมควรเจรเวลาน ะ, ะพวกเราขอให้ก่าวของพ่อขอกับาวขอบคุณหพ่อพร้อมกันนะครับในทางปืนนานของพ่อของกรา